จานนี้ท่านมาจากเชียงรายฝึกสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนดีนะหลวงพ่อเทียนเป็นพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งเลยไม่เป็นรองใครทั้งนั้นแนะ่ะหลวงพ่อเทียนฝึกตัวท่านเองไม่นานใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนนะนะเข้าใจธรรมะก็หลวงพ่อเคยเจอหลวงพ่อคําเขียนนั่นเล่าท่านหลวงพ่อเทียนนะ้ขยับพวกพระพวกพระหลุดไปแล้วพอมาหลังๆเนี่ย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 รุ่นหลังๆมาสอนให้ขยับแล้วให้เพ่งใส่มือไว้ตอนให้เพ่งมีการสอนก่อนนะต้องเพ่งก่อนนะรู้รู้เลยไม่ได้ต้องเพ่งไว้ก่อนเมื่อทั้งที่หลวงพ่อเทียนไม่เอาเพ่งนะหลวงพ่อเทียนจะเอารู้สึกหลวงพ่อเทียนรู้สึกรู้สึกรู้สึกอยู่สมเดือนหลวงพ่อเทียนก็พ้นไปละของเราเพ่งหลายปีมันก็เพ่งอยู่นั่นแหละใจก็ติดการเพ่งแบบเดียวกันนะอย่างเราไปดูท้องของยุคเนี่ยเราก็ไปเพ่งใส่ท้อง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 อย่างมันอยากจะกินไข่เจียวอันใหญ่ๆในใจมันก็สร้างภาพนี้ขึ um ้นมันคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่รู้เรื่องที่คิดนี่ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์หมาแมวก็รู้ได้แต่การรู้ว่าจิตคิดเนี่ยตรงนี้แหละจะข้ามพบข้ามชาติก็อยู่ตรงนี้แหละถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติต้นทางนะกลางทางปลายทางยังมีอีกนะต้นทางก็คือจะตื่นขึ้นมา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 ใจนีไปแวบเรารู้สึกแล้วเราก็จะตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อเทียนเนีเขย่าวธาตรู้นะเขยา่าขยับเนี่ยเพื่อจะเขย่าวธาตรู้เพื่อปลูกความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ใช่ให้ไปเพ่งนะไม่ใช่ให้ไปเพ่งหลังๆเริ่มมีการสอนนะบอกว่าสอนอย่างหลวงพ่อประโมท ด, ดีนะถูกนะแต่สูงเกินไปยากเกินไปต้องเพ่งก่อนสอนอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างนี้มานี่เติมขึ้นมาทีหลังนะ ไม่ได้รักษาคำสอนแท้ๆของท่านไว้ลองขยับแล้วรู้สึกตัวสี่สามเดือนได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรบางคนก็สามเดือนจริงๆบางคนก็สี่เดือนเมันก็ทาได้จริงๆนั่นเราขยับจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้ขยับเพื่ออะไรเพื่อรู้ทันจิตนั่นเองนั้นหลวงพ่อเทียนท่านสอนไม่สองคำนะสำคัญมากเลย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 เรียนรู้เข้ามาจนถึงจิตถึงใจถ้าไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกและวราจิตคือธรรมชาติที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดเมื่อไหรไม่ยึดถือจิตปล่อยวางจิตได้เมื่อนั้นจบจิตในาศาสนาพุทธนะหมดทุกข์จริงๆนะหมดเด็ดขาดทารวรเลยไม่มีเสื่อมเลยไม่เหมือนอย่างฌานนะทําไปแล้วเสื่อม <S <S เพ่งเพ่งไหมดแรงเพ่งนนกิเลสเยอะกว่าเก่าอีกงั้นหน้าที่เราค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟัง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 บอกว่าเรียนกรรมฐานนะั้นมันต้องตัดตรงเข้ามาเลยนะเข้าถึงมรรคถึงผลเลยไม่ไปเอ่อยู่ท่านใช้คําว่าไปเอ่ยอยู่นะไม่รู้แต่ว่าอะไร <c oughs> ไม่ไปเอ่อยู่โอ้ยอ้อมคอม้องหลวงพ่อเทียนเนี่ยขยับโพผ้าโพผ้าสามเดือนก็หลุดไปละนะท่านบอกหลังๆนี่นะไม่มีคนพูดเรื่องสติละกลายไปสอนเท่งท่านบอกท่านอนุโมทนากับหลวงพ่อนะ บอกไปไหวแล้วตอนนี้ไปไหวแล้วนะมีคนสืบทอดไปนีงั้นต้องระมัดระวังนะคำสอนครูบาอาจารย์ที่ดีๆพอมันผ่านไปเจเนอเรชันหนึ่งสองเจเนอเรชันมันเพี้ยนไปเรื่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยๆกรนะะทั่งคำสอนอย่างตามวัดทางยุสารแต่ก่อนนะข้าวัดไหนท่านจะสอนให้มีจิตผู้รู้ทีมีความรู้สึกตัวนั่นเองแต่หลังๆนะั้นก็พระ้าไปเล่นเรื่องสมาธิกันเยอะนะเพ่ง เพ่งให้นิ่งเพ่งให้นิ่งทำสมถะมันไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ทำแล้วต้องเดินปัญญาได้ต้องออกมารู้กายรู้ใจได้ถ้าทิ้งการเจริญสติรู้กายรู้ใจแล้วก็คือทิ้งกรรมฐานไปแล้วทิ้งวิปัสสนาลนะเหลือแต่เพ่งเนี่นเราต้องคอยรู้สึกนะหัดรู้สึกมาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยไม่ได้เรียนเรื่องอื่นหรอกขั้นต้นเลยเรียนให้รู้สึกตัวก่อน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 งั้นเบื้องต้นเราทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นอย่างถ้าสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือดีนะมันไม่หลับดีขยับอย่างงี้มันถ้าหลับเมื่อไหร่เคลิอมเมื่อไหร่มันขยับผิดนะยกเว้นพวกขยับจนไปเข้าไขสันหลังแล้วนะขยับถูกนะละเมอเขาขยับได้นะอนี่ขยับเข้าไขสันหลังไปละจิตใจหนีไปไหนก็ยังขยับถูกอยู่อย่างงั้นใช้ไม่ได้นี่เบื้องต้นที่ทําให้ถูกนะขยับไปรู้สึกตัวขยับ เราขยับไปแล้วหัดดูสภาวะไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับนะไม่ใช่ขยับแล้วบรรลุมรรคผล น, นิพพานนะขยับยังไงก็ไม่บรรลุมรรคผล น, นิพพานหรอกไม่งั้นจราจรไปก่อนเลยใช่ไหมขยับทั้งวันอนะไม่เห็นมันบรรลุอะไรเลยนะมันไม่ได้อยู่ที่การขยับมันอยู่ที่จิตต่า ง, างจิตขยับไปเนี่ยจิตหนีไปเพ่งเพ่งใส่มือก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้นี่รู้ทันจิตไปเรื่อย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 เป็สิ่งแปลกปลอมมาช่วครั้งช่วคราวถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเรามีสติเราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นเลยความทุกข์ก็ของแปลกปลอมเข้ามาช่วครั้งช่วคราวทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเรากูศลหรืออกูศนก็แปลกปลอมเข้ามาเป็นคราวๆไม่ใช่ตัวเราอีกความโลภความโกรธความหลงแปลกปลอมเข้ามาเป็นคราวๆไม่ใช่ตัวเราดูลงไปเรื่อยๆนะทั้งกายทั้งใจไม่เห็นมีตัวเราตรงไหนเลยดูซ้ําแล้วซ้าอีกอย่างนี้แหละเจ็วัน7เดือน7ปีหลวงพ่อเทียนท่านเน้น3วันมีไหม หวันใช่ไหมหกวันหกเดือนหกปีท่านมีลดลงปีหนึ่งด้วยนะง <c oughs> ั้นครูบาอาจารย์อย่างนั้นหายากนะเรียนธรรมะของท่านถ้าส่งไว้ได้นะ ส, นะส่งไว้ได้มีประโยชน์มากเลยถ้าส่งไว้ผิดเนะี่ยทํำลายคําสอนที่ดีที่สุดอันหนึ่งไปเลยนะถ้าบวชแบบบูริมนะคําสอนของท่านเนะี่ยสุดยอดวิทยายุทธกระแหงหนึ่งเลยนะ <c oughs> งั้นรู้สึก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 มันคือการเพ่งแล้วนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งทำไมภาวนาแล้วกลายเป็นนักเพ่งไปหมดเพราะเราคุ้นเคยกับการเพ่งเราไม่คุ้นเคยกับการรู้สึกตัวตลอดเวลาในสังสารวัฏเนี่ยเราได้ยินแต่คำสอนเรื่องการเพ่งน้อยครั้งนะที่จะมีพระพุทธเจ้าต ร, รัสรู้สักองค์หนึ่งแต่เมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ย คำสอนเรื่องการเจริญสติถึงจะเกิดขึ้นมาพอหมดยุคของศาสนาพุท ธ, ธีหนึ่งคำสอนเรื่องเจริญสติจะหายไปจากโลกมนุษย์จะไปอยู่ในเทวโลกในพรหมโลกยังมีอยู่พวกที่เขาทําอยู่ทุกวันนี้พวกเทวดาพวกพรหมยังบรรลุพระอรหันต์กันอยู่มนุษย์มีน้อยนะมนุษย์เหลือน้อยที่จะทําให้ได้พวกที่ยินศรีกล้าไปหมดแล้ว เหลือแต่พวกปอบแปดปอแปด อ, อ, อยู่เนี่ยนะหลวงพ่อเคยไปทีนะไปวัดหลวงปู่สุวัตเขาน้อยมีเทพหลายอันเอาเบาบางหน่อยนะ <c oughs> ไปแล้วก็ไปนั่งดูหลวงปู่โอ้หลวงปู่สบายไปแล้วนะ <c oughs> ดูญาติโยมรอมรอบตัวเรา <c oughs> นี่เป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับเรา <c oughs> พวกนี้ฝึกมาคนรุ่นเก่าเรา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 แล้วต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติแบบรู ป, รปลูกคำคาแล้วทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะดีะดไม่ได้ทำอะไรดีเลยมีแต่รู้แล้วดีต่างหากนะนี่ละสิละะตาปรามาสได้สีพระตาปรามาสามีนคิดแต่วาทำยังไงเราจะดีเพราะฉะนั้นเราพอเราได้สวดาจริงเรารู้ทำยังไงก็ไม่ดีหรอกนะรู้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่มันเป็นนี่แหละรู้จนรู้แจ้งนั่นแหละมันดีไม่มีทางที่สองเลยนะนี่พอเราดูกายดูใจจนละ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 จะยืนก็ทุกจะนั่งจะทุกนะจะนอนก็ทุกจะเดินก็ทุกอะไรก็ทุกหมดเลยหายใจเข้าก็ทุกนะอย่างหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกนะแล้วต้องหายใจออกหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกอีกต้องหายใจเข้าอีกเนี่ยดูออกมาเรื่อยๆเลยโอกายนี้ทุกล้วนๆเลยไม่ใช่ว่ากายนี้ดีวิเศษ ต, ตรงไหนเลยเนี่ยเราหัดดูจิตมันก็จะเห็นอันนี้นะจะเห็นนันนี้แล้วมันจะล่าความยึดถือกายได้ก่อนพอล่ความยึดถือกายเนี่ยเป็นเป้าหมายที่สอง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 จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงทรงตัวอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสมาธิบริบูรณ์พระนาคามีมีสมาธิบริบูาาาบรณ์ละกามและปฏิฆะได้เด็ดขาดหน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวยินดียิน้ายขึ้นมาเลยไม่มีความชอบใจหรือเกลียดชังในรูปเสียงกยลิ่นรสผลทพะเลยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงทรงตัวอยู่อย่างมีความสุขไม่แกวงออกทางตาหูจมูกลิ้นกายนะ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 หมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกยลิ่นรสโภพภะไม่มีกามและปฏิฆะเป้าหมายที่สามละความยึดถือจิตถ้าละความยึดถือจิตได้จบจิตในศาสนาพุทธตรงนี้แหละนี่หลงพระเทียนท่านสอนห้าวหาันท่านบอกบอกการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นรัดสั้นที่สุดถ้าเจาะเข้ามาตรงนี้เลยนะแป๊บเดียวมันก็ปล่อยกายไปเลย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 เน้นต้องภาวนาแนะต้องมีสติต้องตื่นขึ้นมาให้ได้นะรู้ลงที่กายเป็งเนืองรู้ลงที่จิตเนือ ง, งจะเข้าใจกายก่อนเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็หมดความยึดถือกายไปก่อนกายนี้ทุกร่วนๆเลยจิต ก, ก็ปล่อยมันไม่ใช่ตัวดีเนี่ยจะไปยึดมันไว้ทําไมเวลาจะตายจะรู้สึกว่าตัวทุกข์จะแตกแล้วไม่เสียใจพระนาคามีเวลาจะตายไม่เสียใจล้ว ตัวทุกจะแตกจะเสียใจทําไมไม่ใช่ตัวดีแตกเนี่ยนี่ภาวนาต่อไปอจิตมันจะรวมมาอยู่ที่จิตแล้วอันนี้จิตอันเดียวล้วนๆเลยจิตตั้งมั่นเด่นดวงมีแต่ความสุขล้วนๆเลยถ้าไม่นิ่งนอนใจนะตามรู้ตามดูเขาไีกก็จะเห็นในะตัวจิตผู้รู้เนี่ยยังตกอยู่ใต้ไตรลักตกอยู่ใต้ไตรลักษอีกมองได้นะมองใส่ได้ก็ยังมองได้หน่อยๆสงบได้ก็ยังฟุ้งได้นิดๆ ถามว่าฟุ้งอะไรฟุ้งในกามหรือเปล่าไม่ได้ฟุ้งในกามเพราะเป็นพระอนาคามีแล้วแต่ฟุ้งในธรรมนะเพราะงั้นอุทธัจจะสังโยชนเนี่ยกับอุทธัจจะในนิวรณ์ไม่เหมือนกันอุทธัจจะในนิวรณ์เนี่ยมันอุทธัจจะฟุ้งซ่านไปในกามอุทธัจจะสังโยชนเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปในธรรมเช่นอย่างคนกวาพิจารณาธรรมอยู่จิตเองทํางานอยู่กลัวไม่หลุดพ้นกลัวงโง่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 ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของเรานี่แหละคือมารเนีนะ่ยนะมันคือมารตัวจิตเป็นมาร น, นะเรียกว่าเทวปุตตมารนะตัวขันเป็นตัวทุกนะเรียกว่าขันธมารนะใจของเราก็จะดิ้นเลยคิดเลยทำไงจะพ้นได้ทำไงจะหนีได้ตรงที่คิดฟุ้งไปนี่เรียกว่าอาภิสังขารมานนะความคิดนึกปรุงแต่งของจิต จิตใจที่ไม่ชอบความทุกข์นี่เลยจิตใจที่เอื่มลาจิตใจที่อยากหนีไปเนี่ยจิตใจนี้แทรกด้วยกิเลสนะแทรกด้วยโทสะแต่ว่ามันไม่ใช่โทสะอย่างที่เคยรู้จักแล้วมันเป็นความเหนื่อยหน่ายเอื่มละอาสุดขีดเลยอยากจะไปให้พ้นจะเรียกว่าโทสะมันก็ไม่เหมือนโทสะเพราะโทสะจริงๆขาดไปตั้งแต่เป็นพระนาคาแล้วแต่นี้มันเห็นเลยจิตนี้มันน่าเอื่มลอาที่สุดเลย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 ตอนนี้ตัวคนเดียวล้วนๆ้นเลยนะตัวคนเดียวล้วนๆ้นเลยไม่มีใครช่วยเราได้อีกแล้ะมีทางเดินอยู่สองทางเดินไปข้างหน้าแล้วก็ตายลงถ้าไม่ตายรอดตายได้ก็บ้าอย่รู้สึกอย่างนี้เลยนะถ้ารอดได้ก็บ้าถ้าถอยซะจะตกเป็นธาตุของมารตลอดไปแต่ว่ามีความสุขมีความสุขอย่างโลกๆก ใ, ใจถ้าไม่ได้ฝึกอบรมบารามีให้แก่กล้านะถอยแน่นอนเลยมันเจอความทุกข์อะไรที่ใหญ่กว่า น, นี้ไม่มีอีกเรานะไม่เคยเห็นความทุกข์อะไรที่ใหญ่กว่าขันเลยขันเป็นทุกนะข์นะการที่เห็นขันเป็นทุกข์นี่เรียกว่าทุกขสัตวะถึงตรงนี้สิ่งที่ช่วยเราได้คือบารามีที่เราเคยอบรมมานั่นเองยกตัวอย่างนะทานะบารามีเราเคยเสียสละ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 กล้าสละกระทั่งชีวิตตัวเองศีลบารมีจิตใจของเราในขณนะนั้นเป็นปกติได้ไหมท่ามกลางความทุกข์ที่รุมเรา้าเนี่ยจิตใจเรายังเป็นปกติอยู่ได้ไหมหรือจะคลุ้มคลั่งกวัดแกงออกไปละตรงนี้ขันติบารมีก็ต้องมีอยู่อดทนนะต้องอดทนให้ได้ต่อความทุกข์ที่บีบคั้นเข้ามาประดังกระดังเข้ามาทนอะไรทนที่จะไม่หนีทนที่จะไม่หนีเ ท, ท่านั้นเอง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 เนคัมมะบา ร, รมีกลนะ้าสละความสุขทุกสิ่งทุกอย่างไหมต่อไปนี้ถ้ารอดชีวิตมาก็บ้านั่นแหละเห็นไหมไม่รู้แล้วความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกล้าสละไหมนะถ้าเคยกล้าสละเคยฝึกเนคขัมมะบา ร, รมีมานะกล้าสละนะกล้าสละความสุขในกามปัญญาบา ร, รมีพอไหมที่จะรู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็น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 จากความยึดในเกาะยึดเกาะในจิตจะสลัดจิตคืนให้ธรรมชาติไปอย่าไม่ยึดถือจิตพอไม่ยึดถือจิตจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกและเพราะจิตนี่เป็นขันที่ยึดถือเหนียวแน่นที่สุดเลยรักที่สุดห่วงที่สุดะไปถึงพรหมโลกก็ยังยึดจิตไว้ไม่ปล่อยนะยอมปล่อยกายนะอย่างเป็นอรูปพรหมปล่อยกายได้แต่ยังยึดจิตอยู่งั้นเหนียวแน่นที่สุดพอไม่ยึดถือจิตก็ไม่ยึดถืออะไรอีก ในวันนี้หลวงพ่อมีเวลาเล่าให้ฟังพวกเราน้อยไล่จี้ส่งกันบ้านหมดละทีละคนทีละคนนะต้องฝึกนะต้องฝึกต้องพัฒนาบารมีของเราขึ้นมาเรื่อยๆฝึกสติไปถ้าเรามีสตินะเราก็เห็นความรักใคร่หวงแหนในทรัพย์สินเงินทองในตัวของเราเองในในอะไรต่ออะไรเนะี่ยมันจะกล้าสละได้พูดอย่างนี้ไม่ได้มาให้ต้องมายกเงินให้หลวงพ่อนะ เวลาพระเทศเรื่องฐานนะพระชอบเทศนะเรื่องฐานพ่อได้รับประทานนะแต่ว่าฝึกของเราไว้ไม่ต้องมาให้หลวงพ่อนะไปให้ใครก็ได้น ะ, นะฝึกกล้าสละความสุขความสบายของเราไหมกล้าสละความอเรเด็ดอร่อยในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพไหมนะต้องฝึกนะสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าก็ฝึก ท่านถึงบอกตอนสุดท้ายใช่ไหมอาศัยบา ร, รมีนี่เองมาสู้กับมาร น, นั่นเองงั้นในคำภีที่เขาเขียนนะเขาเขียนดีนะสร้างมารขึ้นมานะเขาเรียกอะไรนะซิมบลิกเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นบุคลาที่สถานไอ้อออมารจริงๆก็มีะนะพวกมารเทวดามารเนี่ยมีอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หพวกนี้เรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยกว่า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 งั้นเราก็ต้องสร้างของเรานะสร้างเครื่องมือไว้วันหนึ่งยวต้องใช้ฟังหลวงพ่อเนี้ยปีนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้นะสิบปีข้างหน้าจะได้ใช้หรือชาติหน้าจะได้ใช้ฟังไวปจิตใจมันจะได้รู้ร่องที่จะเดินไปข้างหน้าถ้าครูบาอจารย์ไม่ได้ชี้ร่องมาให้เราเดินนี่เดินยากที่สุดเลยยากที่สุดเลยองค์ที่ท่านเดินไปได้เองที่เคยรู้มาก็มีหลวงพ่อเจียนในองค์หนึ่ง เดินท่านไปได้หลวงปู่มั่นใีกองหนึ่งทัานเดินของท่านไปได้นี่ยอดมนุษย์ทั้งนั้นนะยอดมนุษย์ไม่ใช่อุลตรามแมนนะแต่ยอดยอดของมนุษย์จริงๆเลยอัศจรรย์เลยท่านเหล่านี้ <c oughs> นอกนั้นขนาดที่ท่านบอกให้เดินตามนะยังออกนอกลู่นอกทางเลยตูปัตตูเป๋ท่านบอกเขย่าถ้ารู้กูก็จะเพ่งแถมบ อ, อกอีกต้องเพ่งก่อนหลวงพ่อเทียนบอกไม่เอาสมถะ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 ไหวไหมเราสู้ไหมสู้ไหมค่อยๆดูเรานะดูใจของเราไปมีสติสำรวจจิตใจของเราไปเรื่อยเลยมันไปติดมันไปคล้องอะไรนะคอยเรียนรู้ไปมันไปติดสมถะเขารู้ทันมันไปทำไมต้องติดสมถะเพราะว่าอยากดีอยากดีอยากสุขอยากสงบเขาไปติดสมถะกันมันไปติดกิเลสเพราะอะไรเพราะว่าเห็นโลกยัยงอ็อร่อยอยู่ให้สารวจใจของเราอย่างซื่อๆนะ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 รู้สึกตัวมีสติขึ้นมาทํากรรมฐานนันึองขยับไปก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดอะใจลอยไปแล้วรู้ใจลอยไปแล้วรู้เพ่งไหมก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้อยู่ตรงนี้เองฝึกอย่างเนี้ยฝึกทุกวันแล้วสติจะเกิดขึ้นมาก็จะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเนี่เป้าหมายที่หนึ่งเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยปล่อยวางกายได้เป็นเป้าหมายที่สองเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเลย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 เราไม่รู้แจ้งอริยสัจนั่นเองเราไม่รู้แจ้งในกองทุกข์นั่นเองถ้ารู้แจ้งในกองทุกข์พวกจิตสลัดทิ้งเลย<ม>พ้นตรงนั้นเลยงั้นรู้รู้ทุกข์เมื่อไหร่นะสมุทัยคือตัณหาทุกล่าอัตโนมัตินิพ น, นิโรธหรือนิพานปรากฏต่อหน้าต่อตาอตโนมัติเลยนนิพานไม่เคยหายไปไหนเลยนะปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานนะมันนาสิการถึงเมื่อไหร่ก็เห็นอยู่เลยนะแต่นิพานไม่ใช่โลกใสใสนะเมื่อเช้านี้ใครไปละอยู่กับโลกใสใส โกใสาๆไม่ใช่นิพพานนะหมดอย่างมีโยมจะถามอะไรไหมเชิญไม่มีเดี๋ยวจะไปคุยกับพระละอันนี้ขอขรากนรเมศวรกรันถามเจ้าค่ะเมื่อกี้ลุงพ่อบอกว่ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจะเห็นต้นทางของหลวงพ่อเทียนบอกหลวงพ่อจําท่านมาเจ้าค่ะรู้เนี่ยคือระหว่างตรงนั้นเนี่อรู้ช่วงว่างระหว่างอารมณ์หรือว่ารู้ขนาดที่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 ขนาดนี้เรียกว่ารู้จิตจะตื่นขึ้นชั่วขณะนะสั้นๆตื่นแว็บเดียวเดี๋ยวนี้ไปคิดใหม่นี่ไปคิดใหม่รู้ใหม่มมนแค่จะเป็นเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปนะเผลอยาวๆอยา่ยางเงี้ยแล้วก็รู้เล็กๆเผลอยาวๆรู้เล็กๆพอรู้ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นมันเหมือนจะรู้ต่อเนื่องจริงๆไม่ได้ต่อเนื่องหรอกมันรู้ถี่ๆความเผลอเนี่ยจะแคบลงแคบลงนะความรู้สึกตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น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 ภูมิรู้ตรงนี้คือภูมิรู้ของพระโสดาบันนะงั้นจุดหมายแรกเลยต้องมาตรงนี้ว่าไงวุฒ อ, อมั น, ม, นมันก็ยังมีบางทีที่ยังติดติดที่เป็นมันเหมือนอย่าง้แลวติดอะไรสว่างสว่า ง, างร้อยแปะอะไรอย่า ง, างนี้ใช่แน่แหละยังติดอยู่ขนาดนี้ก็มีมันมันติดอยู่เนี้ยครับว่เห็นมันเกิดจากความจงใจปฏิบัติ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 พยายามทําแบบไม่ต้องยุ่งทําแบบอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณเนี้ยค่ะือทําอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณก็ทําเท่าที่ทําได้ <c oughs> ได้นะคะแต่อย่ายยนะ <c oughs> ่ะได้ย่วยุ่งกับคนนะทํางานที่ไม่เกี่ยวกับคนได้ยุ่งดี <c oughs> ค่ะพยายามทําบบนั้นค่ะ <c oughs> อ่ะมีไหมหนึ่งสองสามไปเชิญกับบ้านไป <c oughs>